ก่อนบริพารก็บอกพักสุดท้ายเป็นพระวาจาพิมสอนอันมีในขั้งสุดท้ายของพระตรรคุเจ้าว่าเธอทั้งหลา ย, ย่าได้ประมาทคือมีสติเนี่ยมีความรู้สึกตัวมาเห็นมารู้รู้กย่ยเคลื่อนไหวไปมาประกอบมันขึ้น่นไหถ้าไม่ประกอบมันไม่มีมันจะมีตัวหลงมาก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 อะไรที่มันเคยติดเพื่อนมามันมีเหมือนกันนะผลงพผลั ง, ลงอุปท า, านกังวลเรื่องอะไรต่างๆเยยๆเพราะชีวิตผ่านมาถ้าเป็นจางหลวงตาเป็นชีวิตที่ขี้ทุกข์ขี้ยากเป็นลูกกัมพะพ่อตายจากเป็นคนขี้ทุกข์ขี้ยากที่สุดเหมือนกับจนถึงมีผ้าขามา้าผืนเดียวเหมือนทักษสียนเบจนฟ้าตาจนเหมือนผ้าเขามา้า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 แต่ก่อนเราไปรูปมันรูกนี่มันทำอะไรของมันเป็นไหมทำไมเป็นมันยกมือไหวอย่างนี้อะไรสั่งมันมันกํากับปั้นอย่างนี้อะไรสั่งมันไม่ใช่รูปวันทะเบงมันมีน้ำไม่เหมือนต้นเสาตัวนี้เอาเสายกมือไหวแล้วมันเคลื่อนไม่เป็นไปนั่งนั่นดูสีไปเข้ารงหนังดูสีเด่นไปไฮโลดูจีมันทำไมเป็นอันเป็นรูปธรรมดา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 เรามาเห็นเนี่ยโอ้เป็นลูก amm, เห็นน้ำเห็นอาการของลูกของน้ำเห็นลูกทุกน้ำทุกลูกโลกน้ำโลกมันก็เป็นแหล่งของโลกก็นโลกกับลูกเนี่ยน้ำก็เป็นโลกโลกของลูกมีหลายอย่างการร้อนการหนาวการปวดการเมื่อยการเหนียวการกับพันถ่ายเป็นโลกของลูกความโกรธความโลภความหลงความรักความจังกิเลต์ต้านายเป็นโลกของน้ำโลกอันนี้โลกบางอย่างเราต้องช่วยตัวเรา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 ห้องครัวก็สะอาดที่นอนก็สะอาดเรียบร้อยเสื้อผ้าก็สะอาดศีลมันไปอยู่ในบ้านในครัวในที่ทำงานโต๊ะ เ, เก้าอี้ของอยู่ของกินสะอาดเรียบร้อยโอ้เราไม่ศีลเนอศีลน่ไใช่ไปรักษากายวาจาเรียบร้อยชื่อว่าศีลออมาเรียบร้อยหลายๆอย่างศีลโอไปรู้ศีลรู้สมาธิรูปปัญญาศีลก็จัดกิเลสได้จริงๆอ่ะ อาสิแบบไหนหรือว่าสินจิกขาก็ามาลูสินอ่ะโอ้ยเยอๆเลยดงแห่งปัญญาเลยทีเดียวมาศึกษากดงที่รูปที่นามเนี่ยมันมีอยู่ทุกคนจะมาขอกับพระหรือสินนะอันนั้นเป็นสินสังคมบัญญัติเพื่อให้เรารักษาอยู่ด้วยกันอันละกิเลสไม่ได้เลยอันสินจิกขาที่มันเกิดจากการเจริญตินี้มันละกิเลสได้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 เราวมีสติเนี่ยมันเป็นรักษาะกายวาจาใจได้การมีสติสะใจชีร่นนี้มันเป็นสมาธิไหมเคลื่อนไหวอย่างนี่เป็นเป็นสมาธิไหมหรือเป็นตั้งหลับตาวันหลับตาเนี่ยวันรู้เลยไยตั้งหลับตาหลับ ต, ตาแค่เป็นตั้งอยู่ในกติพุทธญาณอยู่ใกล้ๆหมู่ดงป่าไร่ล้หลืนตาอยู่นี่การแต้มัน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 เมันไปทางนั่นมันก็ไล่อ่าก็กัดฉางเลื่อยไปกัดตก็เว่งกัดางงูโหก็คืนมาฉกมันก็คืนมาเอาไปมากระแตกัดไล่มาไล่มาเหมือนนกกรงเฉนถหงูเขียวมามัก็สมัยนึงก็มีนกกัะเฉนมาอยู่ก็ปวยจากน้ำอ่าเมื่อก็ไล่งูได้แต่มันไล่งูมหาเราเราลินตาอยูอ่าแล้วก็มีกติเตียง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 เอากล่องไม่ฉีดโยนไปไมัน้อถูกหัว ง, งูพอดี ง, งูก็ตกใจตื่นขึ้นมากรโจนคอขึ้นโซโล่กแผลผังผ่านเห็นเรานะเราก็เอาผ้ากีวร์มาค่อยๆปิดหน้าไปไ อ, อ้กูโห้ยขอโทษเด้อเพราว่าจะบอกเธอว่าเรานั่งอยู่นี่ทำไมตกใจน้องข อ, ข, อขอโทษขอโทษก็นั่งกลัวมันจะผล น, นัพธ์อะไรก็แล้วว่าเอากีวร์มาปิดตาไปเด่อยนะ